บทภาชนี659ทั้งสองฝ่ายมีความกำหนดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กายจับต้องกายบริเวณใต้รากปัดลงมาเนื้อเขาขึ้นไปพิษณีต้องอบัตตาราชิกใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตภุลัจัยใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตติุลัจัยใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัติทุกก ใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัตทุกกดใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฏใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตทุกกดใช้กาย ถ, anyway, ถูกต้องกายบริเวณนราขวัญขึ้นไปใต้เข่าลงมาต้องอบัตทุละใจใช้กายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกดใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตทุกก ใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบวบทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบวบทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบวบทุกกฎ <ช generational. S 1> ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอวบทุกกฎหกร้อยหกสิบใหนึน่งมีความกำหนัดใช้กายจับต้องกายบริเวณใต้ารากผ่อนลงมาเหนือเขาขึ้นไปต้องอบวบทุลใจ ใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอวบัติทุกกฎใช้ของเนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอวบัดทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอวบัติทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอวบัตดทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอวบัติทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอวบัติทุกกฎใช้กายจับต้องกายบริเวณเหนือรากคันขึ้นไปใต้เข่าลงมา ต้องอ ბ ัตทุกกฎการจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกกฎแพ้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัตทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตทุกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบัตทุกกฎ6กร ทั้งสองฝ่ายมีความกำหนัดใช้กายถูกต้องกายของยักษ์เปรตบรนดอลหรือสัตว์กิเลฉานที่แปลงกายเป็นมนุษย์บริเวณใต้รากผ่อนลงมาเหนือเขาขึ้นไปต้องอบัตติพลใจใช้กายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัตตทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบัตตทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบัติทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบัติทุกกฎ ใช้ของโยนไปถู ก, ต, ต, ออก like ต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องเอาบัตรทุกกฎใช้กายถูกต้องกายบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้เข่าลงมาต้องเอาบัตรทุกกฎใช้กายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตรทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องเอาบัตรทุกกฎ ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องเอบัตรทุกคนใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องเอบัตรทุกกฎหกรยหงไฟมีความนนกำลังใช้กายจับต้องกายบริณ ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องอบดับทุกกฎใช้กายจับต้องกายบริเวณเหนือรากขวัญขึ้นไปใต้เข่าลงมาต้องอบดับทุกกฎใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบดับทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องกายต้องอบดับทุกกฎใช้ของที่เนื่องด้วยกายถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอบดับทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องกายต้องอบดับทุกกฎใช้ของโยนไปถูก ที่เนื่องด้วยกายต้องเอาบัตทุกกฎใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาต้องเอาบัตร